<c oughs> จเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่3 ม, มิถุนายนพุทธศักราช2545วันแรม8ค่ำเดือน7ซึ่งตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือวันวิสาขบับูชาเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบรมศาสดาคือหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงเสด็จดับขันไปในวันเพ็ญเดือนเจ็ดที่ผ่านมา8ดวันแล้วก็ได้มีการเก็บพระศพพระบรมศพไว้ให้ศรัทธา สักการะกราบสักการะบูชาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการถวายพระเพลิงซึ่งตรงกับวันนี้ทางพุทธศาสนิกชนเราจึงถือว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เราจะมาลํำลึกถึงเหตุการณ์อันมหัศจรรย์ที่ได้เกิดขึ้นมาในอดีตอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเตินสติให้เรารู้ว่า ในครั้งหนึ่งเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วนั้นได้มีมหาบุรุษเป็นผู้วิเศษได้มาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้และได้ปฏิบัติตนจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็นำสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตัดสรุนั้นมาเผยแผ่ให้กับสัตว์โลกสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับสัตว์โลกอย่างใหญ่หลวง เพราะพระธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตัดสรุนั้นเป็นเป็นพระธรรมที่ไม่มีใครจะรู้ได้นอกจากพระโพธิสัตว์เท่านั้นพระพโพธิสัตว์อย่างพระพุทธเจ้าที่จะมาตัดสรุทำเหล่านี้ได้นานๆจะมีพระโพธิสัตว์มาปฏิบัติทำจนกระทั่งตัดสรุเป็นพระอาหารตามสามมาสามพุทธเจ้าได้ จึงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้นั้นเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายที่เป็นปุถุชนมีความหลงมีโมหะอาวิชชาครอบงมจิตใจจะไม่สามารถรู้ได้เลยต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาบอกมาสอนเราเท่านั้นเราถึงจะรู้ได้ ดังนั้นเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นและได้สละอุทิตเวลาทั้งหมดที่ทรงเหลืออยู่ในชีวิตของพระพุทธองค์สั่งสอนสรรวโลกทุกวันเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงสัจธรรมความจริงคือให้รู้เรื่องของชีวิตของเราว่าชีวิตของเรานั้นเป็นอย่างไรเราดําเนินและควรจะดําเนินชีวิตของเราด้วยวิธีใดเพื่อที่ จะนำพาชีวิตของเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่พวกเรา <c oughs> ทุกคนปรารถนากันนั่นก็คือความสุขความเจริญความปราศจากความทุกข์ความเสื่อมเสียทั้งหลายถ้าไม่มีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนบอกเล่าแล้ ว, ลวพวกเราก็จะดาเนินชีวิตไปแบบลุ่มๆุ่ ม, มดอนๆอแต่จะไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางอันประเสริฐ อันวิเศษได้นั่นก็คือการสิ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการหลุดพ้นจากกองทุกข์อันใหญ่โตที่เรียกว่าวัฏฏสงสารนี้ไม่มีใครจะทําได้นอกจากพระพุทธเจ้าเป็นพ่อองค์แรกแต่หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงได้ปฏิบัติจนสําเร็จแล้วเนดิ้นรนจนสุดเวียงจนพ้นจากกองทุกข์ของวัฏฏสงสารแล้ว พระองค์ก็นำเอาวิธีการปฏิบัติที่พระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบัตินั้นมาสั่งสอนถอยแผ่ให้กับผู้ที่สนใจผู้ที่มีความศรัท ธ, ธาเลื่อมใสบุคคลเหล่านั้นเมื่อได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติกับกายวาจาใจของเขาแล้วผลที่ตามมาก็คือการหลุดพ้นจากกองทุกข เหมือนกับที่พระพุทธองค์ได้ทรงบุญพ้นบุคคลเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นผู้ที่รับรองพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ารับรองการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้ารับรองความวิเศษของพระพุทธเจ้าและเป็นผู้ที่สืบทอดเผยแผ่พระพุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้พวกเราซึ่งเป็นผู้ที่มาเกิดภายหลัง จึงถือว่าเป็นผู้มีโชควาสนาที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาที่ยังอยู่ในสภาพที่ครบถ้วนบริบูรณ์ที่สามารถยังประโยชน์ให้กับพวกเราได้อย่างเต็มที่เหมือนกับในสมัยที่พระพุทธองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่เพราะพระพุทธองค์ไม่ได้ฝากพระธรรมคําสอนหรือสิ่งที่พิเศษของพระพุทธองค์นั้นไว้ให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดแต่พระพุทธองค์ทรงมอบไว้ให้กับ ให้กับพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายในยามที่เราได้ล่วงพ้นไปแล้วนี่เป็นคําสั่งที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนพระภิกษุสามเณรให้ทราบไว้ว่าพระพุทธเจ้ากับพระธรรมวินัยที่ทรงตัดทรงได้ตัดไว้ชอบแล้วนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นตัวแทนกันได้ทดแทนกันได้ ดังนั้นถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้พระสรีระร่างกายของพระพุทธองค์นั้นได้สลายกลายเป็นพระบรมสาลิลิกธาตุไปหมดแล้วแต่พระธรรมอันวิเศษนั้นก็ยังอยู่กับพวกเราอยู่พระบรมราศาสดาก็ยังอยู่กับพวกเราอยู่อยู่ในร่างของพระธรรมวัินัยนี้เองดังนั้นพวกเรายึงไม่ได้อยู่ปราศจากพระาศาสดาเลยแม้แต่นิดเดียว ตราบใดถ้าเร า, เ, ราเลิกถึงพระธรรมคําสอน mm hmm. ก็ถือว่าเราได้ใกล้ชิดกับพระบรมศาสดาซึ่งต่างกับบุคคลที่แม้จะได้เกาะชายผ้าเหลืองของพระพุทธองค์ mm hmm. ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์แต่ไม่เคยสนใจในพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์เลยก็เปรียบเหมือนกับอยู่ห่างไกลเป็นร้อยเป็นพันโยชน์หรือจะเปรียบอีกอย่างหนึ่งก็เปรียบเหมือนกับทับพีในหม้อแกง ทัพพีนั้นอยู่ถึงแม้จะอยู่ในหม้ อ, อกแกงสัมผัสกับแกงอยู่ตลอดเวลาแต่ทัพพีอ น, นั้นจะไม่รู้จักรสชาติของแกงเลยว่าเป็นแกงชนิดไหนเป็นแกงเผ็ดแกงจืดแกงหวานหรือแกงอะไรทั้งสิ้นซึ่งต่างกับลิ้นลิ้นที่สัมผัสกับรสของอาหารแม้แต่รสชาติแม้แต่อาหารเพียงหยดเดียวลิ้นก็สามารถบอกรู้ได้ทันทีว่า อาหารชนิดนั้นเป็นอะไรอย่างไรนี่ก็คือลักษณะของของของของพุทธศาสนิกชนที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทโธได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาขอให้เราใกล้ชิดแบบลิ้นกับรถกับกับแกงอยาเป็นแบบใกล้ชิดแบบแบบทับที่ในมอแกง ถึงแม้เราจะมีพระพุทธรูปสร้างไว้เต็มวัดเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ใจของเราไม่เคยระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เลยแม้แต่หยดแม้แต่ครั้งเดียวก็สู้คนที่ก็อยู่ต่างประเทศที่อยู่ห่างไกลแสนไกลจากศาสนาอยู่ในสถานที่ไม่มีแม้แต่พระพุทธรูปแม้แต่องค์เดียวแต่ในใจของเขานั้นกลับระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธ ของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะเขามีหนังสือธรรมะเขาศึกษาธรรมะนี่นแหละคือวิธีการอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเราต้องอยู่ใกล้ชิดด้วยการเข้าใกล้ใกล้ชิดกับพระธรรมวินยัยพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการศึกษาเ ร, าเรียนอย่างสม่ำเสมอจ ะ, จะด้วยเป็นวิธีจะด้วยวิธีการฟังเทศฟังธรรม ทที่ท่านทั้งหลายกำลังทำอยู่ขณะนี้ก็ตามหรืออ่านหนังสือธรรมะที่มีอยู่ตามสถานที่ตา่ตางๆหรือจะฟังเทศฟเทพที่อัพฟังเทศที่อักได้ในเทพหรือเดี๋ยวนี้ก็มีการเผยแผ่พระธรรมคำสอนผ่านตามสื่อทางวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์สิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ เราก็จะเป็นเหมือนกับลิ้นแต่ถ้าเราไม่รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์เราก็จะเป็นเหมือนกับทับผีเราจะไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้นี่แหละคือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่เน้นอยู่ที่การศึกษาเป็นหลักเน้นอยู่ที่การศึกษาแล้วนำสิ่งที่ได้มาศึกษานั้นมาประพฤติปฏิบัติกับกายวาจาใจาของตนเพราะว่า การศึกษาทางาพุทธศาสนานั้นเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเปรียบเหมือนกับการการอ่านหนังสือเกี่ยวกับอาหารชนิดต่างๆแต่ไม่เคยได้ไปลิ้มรสไม่ได้รับประทานอาหารที่เราได้อ่านจากหนังสือนั่นเลยเราก็จะไม่รู้ว่าอาหารต่างๆที่เราได้อ่านนั้น มีรสชาติอย่างไรมีคุณมีประโยชน์อย่างไรกับเราเช่นเดียวกับการที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องบาปบนคุณโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการทําตนให้เป็นคนดีเรื่องการพยายามลัเว้นจากการกระทําความชั่วทั้งหลายเรื่องการเอาชนะกิเลสชนะใจของตนนั้นว่าเมื่ อ, อได้ปฏิบัติไปแล้วผลจะเป็นอย่างไร ถ้าเราไม่นํามาปฏิบัติกับตัวของเราเราก็จะไม่รู้เราก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราต้องเอาพระธรรมคําสอนของพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษานั้นมาประพฤติปฏิบัติ ก, กับกายวาจาใจของเราถ้าเราได้นํามาแล้วกายวาจาใจของเรา จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีทำนำพาเรานำมาซึ่งความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงดังนั้นชีวิตของเรานั้นเปรียบเหมือนกับการการเดินทางหรือเป็นพาหนะอย่างหนึ่งเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งเวลาที่เราจะขับรถยนต์ในเบื้องต้นเราจะต้องรู้จักองค์ป ร, ประกอบของรถยนต์เสียก่อนว่ามีอะไรบ้าง คือเราต้องรู้จักขับรถนั่นเองเราต้องรู้ว่าพวงมาลัยมีไว้ทำอะไรเบรกมีไว้ทำอะไรคันเร่งมีไว้ทำอะไรเกียร์มีไว้ทำอะไรเราต้องรู้จักใช้อุปกรณ์เหล่านี้นอกจากนั้นเรายังต้องรู้จักกฎกติกามารยาทของการขับรถรู้จักกฎจราจรเช่นรู้จักเครื่องหมายต่างๆที่เขาติดไว้ตามทางเวลาไปถึงสีแยกเห็นไฟเขียวไฟแดงไฟเหลือง ก็ต้องรู้ว่าไฟเขียวนั้นมีความหมายว่าอย่างไรไฟแดงนั้นมีความหมายว่าอย่างไรถ้าขับรถไปโดยที่ไม่รู้เรื่องเหล่านี้โอกาสที่จะต้องไปชนไปประสบอุบัติเหตุย่อมเป็นไปได้ได้มากทีเดียวแต่ถ้าเรารู้ ก, กฎกติกากฎจราจรเรารู้วิธีการขับรถยนต์แล้วการที่จะขับรถยนต์พาเราไป จากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งด้วยความปลอดภัยด้วยความราบรื่นนั้นย่อมเป็นไปได้ฉันใดชีวิตของเราก็เปรียบเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เราจะต้องศึกษาทําความเข้าใจทําความรู้ให้ถูกต้องแล้วรู้จักวิธีปฏิบัติกับองค์ประกอบต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับ ชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเราสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานั้นพระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้มีอยู่เจประการด้วยกันคือหนึ่งเหตุสองผลสตนสบุคคลห้าสังคมหการประมาณเจดกาลเทศะนี่คือสิ่งที่ บุคคลที่จะดำเนินชีวิตให้เป็นไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามมีแต่ความสุขความเจริญจะต้องทำความเข้าใจต้องทำความรู้จักคือต้องรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักบุคคลรู้จักสังคมรู้จักประมาณและรู้จักกาลเทศะเพราะสิ่งเหล่านี้นั่นเปรียบเหมือนกับอุปกรณ์ของรถยนต์และ เครื่องหมายจราจรต่างๆที่จะคอยกำหนดกากับการเคลื่อนไหวของยานของรถยนต์นั้นให้เป็นไปโดยที่ไม่มีการการเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาให้สามารถรถยนต์ให้ให้รถยนต์ทุกคันที่เดินวิ่งอยู่ในถนนนั้นมีแต่มีแต่ความปลอดภัยยดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจถึง สิ่งทั้งเจ็ดประการนี้ว่ามีอะไรบ้างประการแรกพระพุธองทรงแสดงว่าต้องรู้จักเหตุเหตุในที่นี้หมายถึงการกระทำที่เราเรียกว่ากรรมการกระทำนั่นของเราในชีวิตของเรานั่นมีอยู่สามคือกระทาทางกายเรียกว่ากายกรรมกระทาทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรมกระทาทางใจเรียกว่ามโนกรรมกรรมทั้งสามนี้ เมื่อทำไปแล้วย่อมมีผลตามมาผลก็มีสุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขบ้างไม่ทุกข์บ้างขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำกรรมที่เราทำก็มีอยู่สามชนิดด้วยกันเช่นกันคือกรรมดีกรรมชั่วกรรมที่ไม่ดีไม่ชั่วถ้าทำกรรมดีผลที่ตามมาก็คือความสุขและความจเจริญถ้าทำกรรมชั่ว ผลที่ตามมาก็คือความทุกข์ความเสื่อมเสียถ้าทำกรรมที่ไม่ดีไม่ชั่วผลที่ตามมาก็คือไม่สุขไม่เจริญอย่างนี้เป็นตน้นนี่คือเรื่องของของเหตุและผลเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับตัวเราทุกๆุกคนเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องทากันทุกคนตั้งแต่เตินขึ้นมาพอเริ่มตาขึ้น ก, ก็เราก็ทำเราก็เริ่มทํากรรมนะการลืมตานี่ก็ถือว่าเป็นการกระทํากรรมอย่างหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าเป็นการกระทําที่ไม่ใช่เป็นกรรมดีและกรรมชั่วนะแล้วเมื่อลืมตาขึ้นใจก็เริ่มคิดแนละมโนกรรมก็ปรากฏขึ้นมาแล้วว่าตอนต้นก็คิดว่าเอ๊ะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนมองไปรอบตัวก็บอกว่าเราอยู่ในห้องนอนของเราเรานอนอยู่แล้วก็นึกต่อไปว่าวันนี้วันอะไรตอนนี้เวลากี่โมง ต้องทําอะไรมีธุระอะไรนั่นเป็นเรื่องของมโนกรรมและความคิดเมื่อคิดแล้วก็สั่งงานต่อไปที่กายและที่วาจาเช่นเมื่อรู้ว่าวันนี้จะต้องออกไปทํามาหากินเมื่อเมื่อตื่นแล้วก็ต้องสั่งให้ลุกขึ้นมาให้ลุกขึ้นมาไปทํากิจธุระส่วนตัวล้างหน้าล้างตาอาบน้ํำอาบท่าแต่งกายเพื่อที่จะได้เตรียมตัวไปทํางานหาข้าวหาอาหารรับประทาน นี่ก็เป็นเรื่องกรรมทั้งนั้นที่เราทำอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องรู้ว่าการกระทำอย่างไรกระทำไปแล้วไม่เกิดปัญหาขึ้นมาไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาทำไปแล้วทำให้เราเกิดแต่ความสุขความเจริญดังนั้นเราต้องศึกษาเราต้องรู้จักการกระทำของเราว่าอันไหนทำไปแล้วเป็นสิ่งที่ดี อันไหนทําไปแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีอันไหนถ้าทําไปแล้วดีคือนํามาความสุขความเจริญเราก็ทําไปอันไหนทําไปแล้วนํามาซึ่งความทุกข์ความเสื่อมเสียเราก็อย่าไปทําดังนั้นเราก็ต้องศึกษาถึงผลเช่นกันเพราะว่าบางคราวเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่ขาดปัญญาเราอาจจะเห็นผลเพียงแต่ระยะสั้นๆเราไม่มองผลที่ระยะยาว ผลที่ให้ความสุขในระยะสั้นๆแต่กับมีมีทุกข์ที่ตามมาในระยะยาวเราก็ต้องเข้าใจว่านั่นไม่ใช่เป็นความสุขแล้วนั่นเป็นความทุกข์อย่างเช่นเวลาเราไปเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวเตรกันเวลาเรากระทำสิ่งเหล่านั้นเราก็รู้สึกว่ามีความสุขแต่มันเป็นความสุขในในเบื้องต้นเป็นความสุขที่ไม่ไม่ ไม่มีความยาวนานสุขชื่วประดิ้ลประดาวแต่หลังจากนั้นแล้วก็จะมีปัญหามีความทุกข์ตามมาอย่างเวลาเสพชุลาเวลาเดิ่มึ้นไปก็สนุกสนานเฮฮาก็เดิ่มกันแบบไม่รู้จักประมาณแต่พอถึงเวลาจะต้องกลับบ้านกลับช่องกันต่างคนก็ต่างขับรถกลับกันแต่ไม่มีสติที่จะประครับประคองควบคุมการการขับรถยนต์ ในที่สุดก็อาจจะต้องไปประสบกับอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการหรือเสียชีวิตไปก็เป็นไปได้นี่ก็เป็นผลที่ตามมาจากการที่เราไปเสพสุรายาเมาซึ่งเราคิดว่าเป็นความสนุกเป็นความสุขแต่หาหารู้แม้ว่ามันมีความทุกข์ที่ตามมาที่ที่มีมีมีก็มีความทุกข์มากกว่าความสุขเนี่ย ดังนั้นเราจะต้องต้องเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรความทุกข์ที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรเพราะสุขกับทุกข์นั้นบางทีมันมักจะไปด้วยกันเวลาเราทำอะไรนั้นมันมีผลทั้งสองอย่างมีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์ดังนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าเมื่อมาชั่งน้ําหนักระหว่างสุขกับทุกข์แล้วอันไหนมีน้าหนักมากกว่าถ้าความทุกข์มีน้าหนักมากกว่าดังที่ได้แสดงไ้แล้ว เวลาเราไปเล่นการเวลาไปเสพชุลายาเมาเล่นการพนันหรือออกไปเที่ยวเตะนั้นในเบื้องต้นจะมีความสุขแต่ผลความทุกข์ที่ตามมานั้นมันมีมากกว่าน้ําหนักมากกว่าเราก็ต้องสรุปว่ามันเป็นความทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องละเว้นจากอบาย ย, ายมุขทั้งหลายละเว้นจากการเสพชุลายาเมาละเว้นจากการเล่นการพนันละเว้นจากการเที่ยวเตะ เพราะว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขแล้วเวลาที่เรามาทําบุญให้ทานทิวัดก็ดีหรือเราไปสงเคราะห์ผู้อื่นก็ดีเอาข้าวเอาของไปเลี้ยงดูผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักเราชอบเรามีความเคารพเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายหรือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเรามีความรู้สึก สงสารเมตตาอยากจะช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นให้เขาได้มีความสุขเราก็ต้องสละเวลาสละทรัพย์เงินทองเวลาที่เราจะฟักเงินออกมาซื้อของเวลาที่เราจะต้องเจียดเวลาของเราที่มีค่าจากการจากการที่เราจะเอาเวลานั้นไปเที่ยวไปหาความสุขเราก็ต้องเจียดเวลานี้มาให้กับผู้อื่นมันก็เกิดความรู้สึกทุกข์เกิดความยากลําบากขึ้นมา แต่ความทุกข์ความยากลาบากนี้มันจะเปียกมันจะน้อยเมื่อเปรียบถึงผลที่เราจะได้รับจากการที่เราได้ไปช่วยเหลือผู้อื่นเพราะเวลาเราไปเห็นคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเขาลําบากลำบนแล้วเราได้ช่วยเหลือให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเราจะรู้สึกว่ามีความปราบปลืม้มมีความสุดใจมีความอิ่มใจเพราะเราถ้าเราคิดดูว่าถ้าเกิดเขาเป็นเราแล้วเราเป็นเขา แล้วก็แล้วก็ทำอย่างที่เราทำให้กับเราเราจะคิดอย่างไรบ้างอย่างเช่นวันนี้เกิดเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเงินทองที่จะรักษาไม่มีข้าวรับประทานแล้วอยู่ๆดีๆก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือเราพาเราไปโรงพยาบาลไปหาหมอหาอาหารมาเลี้ยงดูเราอย่างนี้เราจะเกิดความรู้สึกที่มีความสุขมากเช่นเดียวกับคนที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น มันก็เป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึกที่มีสุขเป็นสุขนั่นเองนี่ก็คือการให้รู้จักผลรู้จักสุขรู้จักทุกว่าอันไหนเป็นสุขที่แท้จริงอันไหนเป็นเป็นทุกข์ที่แท้จริงเมื่อเราเห็นแล้วเราจะได้รู้ว่าการกระทำคือเหตุนั้นทำอันไหนเราจะเป็นสุขทำอันไหนเราจะเป็นทุกข์เมื่อเรารู้แล้วต่อไปเราก็จะทาแต่สิ่งที่เป็นสุขอันไหนที่เป็นทุกข์ แต่ที่มาในคราบของความสุขเราก็จะไม่หลงกับมันอีกต่อไปนี่ก็คือเรื่องการทำความรู้จักทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเหตุและผลส่วนการรู้จักตนนั้นก็ต้องคือเราจะต้องรู้จักตัวของเราเองว่าเราเป็นเป็นคนหรือเป็นอะไรถ้าเราเป็นคนก็มีเพศว่าเราเป็นหญิงหรือเป็นชายถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องประพฤติตัวเราเองแบบหนึ่ง ถ้าเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องประพฤติตัวเองอีกแบบหนึ่งการประพฤติของเรานั้นต้องอยู่ในในกรอบของของฐานะของเราไม่ใช่เป็นผู้หญิงแล้วไปทำตัวเป็นผู้ชายหรือทํารึอหรือเป็นผู้ชายแล้วไปทำตัวเป็นผู้หญิงมันก็กลายเป็นคนที่คนสังคมเขารังเกียกันเพราะเขาคิดว่าคนนี้สติไม่ดีไม่รู้จักตนไม่รู้จักว่าตัวเองนั้นควรจะ ดำเนินหรือดำรงตัวเองแบบไหนนะแสดงว่าเป็นคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นคนที่ไม่มีใครเขาอยากจะคบค้าสมาคมด้วยนะนี่ก็คือเรื่องการรู้จักตนตนอกจากที่เรารู้จักว่าเราเป็นหญิงหรือเป็นชายแล้วเรายังมีอีกหลายอย่างในฐานะของเราต่อสังคมคือเราเป็นผู้ใหญ่หรือเราเป็นเด็กนี่การทําตัวก็ต่างกันเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องวางตัวอย่างนี้ เป็นเด็กก็ต้องวางตัวอย่างหนึ่งเป็นคารวะหรือเป็นนักบวชก็ก็วางตัวไม่เหมือนกันเป็นนักบวชก็ต้องวางตัวอย่างหนึ่งเป็นคารวะก็ต้องวางตัวอย่างหนึ่งถ้าเป็นนักบวชแล้วไปวางตัวเป็นคารวะก็ไม่มีใครเขาเขาให้ความเคารพนับถือถ้าเป็นคารวะแล้วไปทำตัวเป็นนักบวชคนก็ก็จะหาว่าทะลึ่ง ไม่รู้จักฐานะของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการให้คนเขามองเราดีมองเราด้วยความนับถือด้วยความเลื่อมใสด้วยความมั่นใจว่าเราไม่ใช่เป็นคนเสียสติเสียสตังเราก็ต้องรู้จักตัวของเราว่าเราเป็นอะไรแล้วประพฤติัวของเราให้เหมาะสมกับฐานะของเรานี่ก็คือการรู้จักนนประการต่อมา การรู้จักบุคคลก็เช่นกันเราอยู่ในโลกนี้เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเราอยู่กับคนหลายคนด้วยกันเกิดมาปั๊บนี้เราก็มีพ่อมีแม่แล้วเราก็ต้องรู้จักคนที่เกี่ยวข้องกับเราเพราะแต่ละคนที่เกี่ยวข้องกับเรานั้นมีฐานะไม่เหมือนกันมีคุณกับเราไม่เหมือนกันอย่างพ่อแม่นี้เป็นบุคคลสองคนในโลกนี้ที่มีพระคุณอย่างยิ่งกับเราเป็นคนที่กราบได้อย่างด้วยความตายใจ เป็นคนที่เราเชื่อได้ด้วยความตายใจเพราะว่าท่านมีแต่ให้เราอย่างเดียวท่านมีแต่สงเคราะห์เราอย่างเดียวท่านมีแต่ความเมตตาความกัมุลาให้กับเราดังนั้นเวลาที่ท่านสอนเราสั่งสอนเราบอกอะไรเราเราต้องฟังด้วยความเคารพถึงแม้ว่าสิ่งที่ท่านสอนที่ท่านบอกเรานั้นอาจจาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกอกถูกใจเราเราก็ต้องฟังไว้ก่อนแล้วนาไปคิด พ, พิจารณาทีหลัง แต่ไม่ควรจะแสดงอาการไม่เครารพออกมาเช่นเถียงพ่อแม่หรือด่าพ่อแม่กลับไปอย่างเสียเสียหายหายถ้าเป็นอย่างนี้แล้วแสดงว่าเราไม่รู้จักบุคคลผู้ที่ไม่รู้จักบุคคลนั่นก็เปรียบเหมือนกับพวกเดรรฉานเดรรฉานเขาก็ไม่รู้จักพ่อจากแม่เขาฉันใดถ้าเรายังอยากจะเป็นมนุษย์อยู่เราก็ควรจะต้องรู้จักบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยรู้ว่าเขาสูงกับเรา เท้าเราหรือต่ำกว่าเราแล้วเราต้องวางตัวต้องปฏิบัติตัวของเราให้ถูกต้องตามฐานะของเขากับของเราถ้าเราประพฤติได้แล้วเราก็จะเป็นคนที่ไม่กระทาในสิ่งที่ผิดจะทำแต่สิ่งที่ดีที่งามจะกลายเป็นคนที่น่ารักน่าเอ็นดู do, เป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งหลายที่ได้มาเกี่ยวข้องกับเราประการต่อมาท่านก็ให้รู้จักสังคม ในพวกเรานั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นศัตว์สังคมคือเราไม่ได้อยู่กันตามลำพังคนเดียวหรือสองคนหรือครอบครัวเดียวแต่เราอยู่ในสังคมเราต้องร่วมทำกิจกรรมกับผู้อื่นเวลาเราไปสถานที่ต่างๆนั้นเขามีเขามีกฎ